บทภาชณีติกะปาจิตตี 58. มาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามนอนร่วมกันต้องอบัตตปาจิตตีมาตุคามภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันต้องอบัตตปาจิตตีมาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามนอนร่วมกันต้องอบัตตป่าจิตตีทุกกฎที่นอนมีเครื่องมุงครึ่งเดียวมีเครื่องบังครึ่งเดียวภิกษุนอนร่วมกันต้องอบัติทุกกฎ ภิกษ so ุนอ <im Slide course> ่ร่วมกันกับนางยักษ์นางเปรตบรรดอหรือสัตว์เดรัจฉานตัวเมียต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสาคัญว่าเป็นมาตุคามต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสาคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอบัต